วันวันนี้เนี่เป็นวันมหาบวรณาวันมหาบวรณาคือวันบวรณาใหญ่ของสงฆ์การบวรณาคือการยอมให้ผู้อื่นตักเตือนเป็นผู้น้อยก็ให้ผู้ใหญ่ตักเตือนหรือเป็นผู้ใหญ่ก็หาให้ผู้น้อยสามารถ ให้คาแนะนำตักเตือนกันได้ซึ่งมันไม่ค่อยมีนะในสังคมทั่วไปแต่ในคมสังคมสงฆ์นี่เขาจะมีวันมหาบวรณาคือวันปวารณาใหญ่เนี่ยทำกันทั่วสังฆมณฑลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาจะมีวันมหาบวรณาสิบห้าค บางทีถ้าเป็นวัดใหญ่ก็ทำในวัดเขาทำในสีมาในสีมาสีมาก็คือสิมหรือว่าโบสถ์นั่นแหละรือบางทีก็เรียกว่าอุโบสถคือต้องมีโรงโรงอุโบสถโรงสีมาโดยเฉพาะเป็นสถานที่เป็น ของส่วนตัวคือสีมาที่ต้องได้รับพระราชทานจากเจ้าของที่ดินแล้วเป็นของส่วนตัวของแต่ละวัดนะไม่ขึ้นอยู่กับภาษีไม่ขึ้นอยู่กั บ, อ, กบอะไรทั้งนั้นเป็นวัดอันหนึ่งนะแต่ว่าเป็นวัดนี่ได้รับจากราชการเขาให้แต่ถ้าสีมาเนี่ได้รับอนุญาตจากเผ่นเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินก็จะมีเขตเป็นโรงสีมารหรือเป็นเขตอุโบสถที่เราบอกว่ามีใบเสมามีลูกนิมิตอันะนั้นคือได้รับพระราชทานจากเจ้าของแผ่นดินคือพระเจ้าแผ่นดินนะให้เป็นเอกสิทธิ์เป็นเอกราษเอกสิทธิ์ของสงฆ์ไปโดยธรรมชาติเลยในสถานที่แบบนั้นเขา ให้ทําสังฆกรรมอุโบสถแต่ถ้าพูดในสมัยพุทธกาลก็มันอาจจะไม่ถึงปานนั้นนะเพราะคิดว่าพระสงฆ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาก็มีมากมายหลากหลายเต็มชมพูทวีปนะที่โน่นที่ น, นี่เวลาเขาทําสังฆกรรมอุโบสถสมัยก่อนต้องเดินนะต้องเดินไม่มีรถลาไม่มีอะไรต้องรีบเร่องอะไรไม่ได้ เขาก็น่าจะมีการทำสังฆกรรมอยู่ในแต่ละแห่งแต่ละที่มีการสมมุติสีมาแล้วทำสังฆกรรมคงไม่ได้หมายว่าพระเจ้าปผ่ดินจะออถวายให้ทั้งหมดตรงโน้นตัวนี้ในประมาณนั้นเคือ่อันนี้ความคิดเห็นนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องมีมีโรงอุโบสถนั่นวัดวัดหนึ่งถ้าเป็นวัดขอเป็นวัดอันหนึ่งขอพระราชทานวิสุงคามสสีมาอีกอันหนึง่ง เอาไว้เพื่อทําสังฆกรรมอุโบสถตามหลักพระธรรมวินัยมีอุโบสถแล้วก็จะมีปรวรณาอันนี้จะมีอยู่ในธรรมเช่นเอกนะอุโบสถมีปรวรนาปรวาปรณ น, นี้ก็ตั้งยติครั้งหนึ่งยติก็คือการประกาศให้ส่งรู้สุนทรภมีพันเตสังโฆนะปรวรณาจะอุปสโทสธซัมปัตโตเมื่อก่อนจะเป็น เ ป, นะ เ, ปเป็นอุโบสถนะเจตกรเป็นอุโบสถอันนี้ปรนาจะสัมปัสโตความถึงพร้อมแห่งสงเกิดขึ้นวันนี้เป็นวันปรนาสุนตุเมิ่งันเทีฟังข้าพเจ้าว่าวันนี้เป็นวันปรนอะ่าสงรับทราบตักเตือนเรนนื่องน แต่ไม่ได้หมายคำว่าไม่ได้ภาวนาเนี่มันจะไม่ออกพรรษาคนเรื่องกันนะการภาวนาคือไปให้สงฆตักเตือนแปบนี้เรื่องหนึ่งการออกพรรษามันออกพรรษาเองโดยธรรมชาติมันคือเบาภาวนาเข้าพรรษาสามเดือนภาวนาเข้าพรรษานี่ยสามเดือนเวลาถึงเวลาออกพรรษามันก็ออกพรรษาไปเองโดยธรรมชาตินะคือสามเดือนแล้วก็สามเดือนะ ถึงเวลาออกก็ออกพรรษานะแต่ว่าเขามีมหาปวนารณาเนี่ยแหละบางทีก่อนวันปวนารณาเนี่ประมาณสักหกัน 6, ไปปวนารณาที่อื่นได้คือออกจากวัดไปได้ไปปวนารณาข้างหน้าเนี่ยแต่ไม่ให้เกินเจ็ดวันขบกติมันลาได้อยู่ประมาณเจ็ดวันก็ไปที่อื่นเพื่อนเพื่อไปปวนารณาข้างหน้า ไปภารณาข้างหน้าภาวนาที่นน่นที่นี่เนี่ยบางครั้งกรุงเทพเนี่ยภาวนาที่ต่างจังหวัดที่เขาอยู่โบสถ์เนี่ยบางทีมันไกลเขาก็ไปก่อนเวลาเพื่อไปไปภารณาแต่ไม่ให้เกินเจ็ดวันทั้งวันที่วาวนาบางทีอ้าวอยู่เชียงใหม่เนี่ยเจ้าวันภาวนานี่ยเขามาก่อนเวลามาเลยเพื่อให้ครูบาอาจารย์สั่งสอน เ่มาออกพรรษาอยู่โน่นไปออกพรรษาอยู่นี่เขาเรียกนะไปกวนวันได้แต่ว่าต้องได้รับอนุมัติการเห็นสมควรจากครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่เราอยู่ด้วยนั้นถ้าถ้านม่อนุ ญ, ญาตมาได้ไหมมันวินัยมันมาได้อะแต่ว่ามันดูไม่งามบางทีนี้ฉะนั้นเราก็ไปเพราะไปภารณาข้างหน้า การภาวนาก็คือการต้องมีพระสงฆ์สังฆภาวนานะอย่างเราคือสี่ลูปขึ้นไปนะแต่ถ้าอุโบสถนลยสองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได้ถ้าองค์เดียวอุโบสถพอถึงวันอุโบสถก็มีคำวันนี้เป็นวันอุโบสถของกัปปเจ้ากัาปเจ้าไม่ลืมวันนี้เป็นวันอุโบสถเดี๋ยวนี้ ก็มีการอ ท, งทางำอุโบสถอุโบสถเราเป็นสังฆกรรมนะทำกระหมู่สองแต่ถ้าไม่มีนี่สององเขาเรียกว่าคณะอุโบสถถ้าองคหนึ่งก็เรียกว่าบุคคลอุโบสถแต่ถ้าสี่รูปขึ้นไปนี่เป็นสังฆอุโบสถอคำว่าสังฆหรือสงเนี่ยต้องสี่รูปขึ้นไปถ้าองหนึ่งสององก็ไม่ได้นะ องหนึ่งสององก็เป็นเป็นบุคคลอย่างพระป่าทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้คําว่าบุคคลอุโบสถหรือเป็นคณะนั่นก็สองสามรูปแต่ถ้าสี่รูปคืออุโบสถเป็นสังกรรมทีนี้การสวดอุโบสถ ส, สวดการทําอุโบสถเนี่ยอาจจะสวดอุโบสถแต่เฉพาะคําบาลีเนี่ยสวดเฉพาะปาราจิกก็ได้สังกัิเสษก็ได้แล้วก็ ไปจบเลยก็ไดนะ้หรือบางทีเขาสวดเอาตอนนี้สวดสังคธิเศตรุนาก็สวดปัจจิตีบรรพระต่อไปก็สวดปฏิเทศนัยสุกุุทุกภารสิตธินาคเอาสวดใช้ขียวัดเจนะ็ดสิบห้าคือไม่สวดหมดก็ได้นะนั้นเหตุให้หยุดสวดปฏิโมก1 2หนึ่งสองสามี่ห้าเจ็ดแปดอย่าง ได้หลายแห่งหลายที่จะสวดแบบครึ่งหนึ่งอ้าวหยุดข้ามไปอันนั้นคืออุโบสถอุโบสถก็ต้องทําในในสีมานะคือเข้าอยู่ในเขตนะั้นคือหมายความว่าเขาไม่ได้มีอนุปสัสมบันคือผู้ไม่ได้บวชอยู่ในภายในอุโบสถนั้นในเขตสีมานนอย่างเราสวดสังฆกรรมอุโบสถเนี่ยคือต้องเข้าอยู่ในอุโบสถแล้วพวกพระพวกเม่ชีพระที่เป็นธรรบัตรก็ออก ไม่ชีโยมเลยรแบเขาไม่ให้เขามายุ่งด้วยนั้นเราไปอยู่ในวัดพุทโถเนี่ยเขาไม่ให้เขาไปยุ่งคือเขามีวินยัยวินัยแบบพระสงค์ก็ไม่ให้มาเขีในเขตนั้นในเขตสีมาเขาจะให้ออกในบริเวณนี้มาปัดมากวาดมาอะไรไม่ได้เขามาหยิบเอาของมาอะไรก็ทำแนละ้วต้องเริ่มใหม่สวดใหม่เริ่มตั้งต้นใหม่เขาได้บอกห้ามมนุษย์สัมบัญอยู่ในบริเวณพื้นที่อันั้น คือไม่เกี่ยวกับคนที่ไม่ไม่ได้บวชเพราะานาี่ก็เหมือนกันนะเขาไม่ให้เข้ามายุ่งด้วยเขาอยู่ต่างหากเอาเฉพาะคนที่เป็นภิกษุบาลณนานี่มันคือเข้าลงอุบสถเหมือนเป็นความลับอย่างหนึ่งนะสงจะทำอะไรเป็นเรื่องของสงดังั้นการพูดการกล่าวตักเตือนในทางห้ามคนอื่นรับรู้ภิกษุเอาอาบัติชั่วห ย, ยาบของภิกษุหนึ่ง ไปโพนธนาหรือไปว่าให้โยมฟังเอาความรับเนี่ยไปเล่าให้คนนั้นฟังพระองค์นั้นเป็นอย่างนี้มิจิองค์นั้นเป็นอย่างน้นเนี่ยเป็นอธรรมนั่นเขาไม่รับอะไรทั้งนั้นหรือบางทีคนนี้ไปฟังพวกนี้ว่าเขาพูดอะไรตนหรือพื้นของตนอันนี้ก็เป็นอบัรมนะไปแอบฟังความนั้นเวลาเขา้าโบสดลงโบสดเขาไม่ให้มี แต่นี่เหมือนกับการสวดซ้อมนะเวลาเรามาสวดในสระเนี่ยพอการสวดปฏิโมกก็ต้องทำเป็นจิตตะลักษณะถ้ามันทำง่ายเกินไปก็เป็น<ม>เป็นเรื่องที่ทำไม่ค่อยงามไมา่ให้กับลูกหลานนั้นทางโลกโลกเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำไม่ได้เจริญภาวนาจริงๆ<ม>เขาจะยึดมั่นถือมั่นมากเอาจริงเอาจังมาก แต่เขาม่ไบอกว่าจะปฏิบัติตามทุกอย่างนะสีข่ขาบททั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติตามสีข่ขาบทนั่นแต่ว่าอืในละพิธีกรรมเนี่ยจะเหมือนต้องจริงเกาจงังนั่นเองแต่อย่างเรานี่ปฏิบัติธรรมจะรู้จุดมุ่งหมายของพุทธกฏทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้ามุ่งหมายอะไรพอปฏิบัติ อะไรที่มันเป็นแก่นนอะไรที่มันเปือกะมันจะมองออกแล้วก็เป็นง่ายๆไม่ได้จําเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าทำเกล็ดนะแต่ถ้าทําเปลือกเราไม่รู้จักแกลเนี่ยเราก็ยึดมัน่นถือมันเปลือกอันนี้ให้เป็นจริงเป็นจังห mm hmm. ลายแห่งลายท้องที่ที่ยึดมัน่นถือมันเอาจริงเอาจังแต่พอไล่ดูแล้วก็บางทีมันไม่มีสาระเพราะมันมีปัญหาแบบนี้เนี่ย เหมือนเอาจริงเอาจังกับพิธีกรรมแต่ว่าสาระไม่ไม่เอาก็ทําให้พระอีกกลุ่มหนึ่งอย่างสันติอสโศกเนี่ยเขาลาออกจากความเป็นพระเลยเขาไม่เอาขอเขาแยกนร่างกาะเขาจะไปทําอยู่ในกลุ่มที่เอาจริงเอาจังแต่กลุ่มเนี้ยเราไม่เอาจริงเอาจังอันเนี้ยพอไม่เอาจริงเอาจังก็แต่ก็ยึดอยู่ในประเพณีว่าเ อ, อทําตามนี่พระเจ้าบอกให้ทําตามโน้นตามนี้แต่ตื้นตื้นทํำแต่เปลือกมัน นันบางทีในพุทธศาสนาเนี่บางคนที่เขาทําจริงจังก็บางทีก็ถึงประกาศเลิกเอ ท, ทั้งหลัติที่ไกลใหม่ไปเยอะแยะไปนะอย่างมหา ย, ยานหิยานก็เพราะพวกเรื่องแบบนี้แต่ถ้าเราไม่อยากให้ก็ทกกบระเทือนแบบนั้นแบบนี้เออนะก็ทำจริงก็นี่ก็ทำเล่นทั้งหมดนะคือเราไม่เลิกบางทีก็อย่างสูบุรีกินกาแฟ ทำอะไรไเล่นหัวหัวเวลาเข้าวัวสุดสังกักรรมอะไรประมาณนี้แล้วก็สวดออกจากอาบัติแ้แต่บางทีก็เขี้ยวมาสูบบุหรี่ไปเรื่อยอทีนี้พวกหนึ่งเนี่ยเขาว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราพูดต้องพดพดแต่เราก็ติดอยู่แบบนี้เนี่ยขาไม่เอาแ็แยกไปทำส่วนตัวอะไรประมาณนี้เพราะกลุ่มเฉพาะอย่างทีนี้อยู่อย่างนี้เนี่ยบางที เราก็ไม่ไปยุ่งว่าจะเลิกหรือไม่เลิกว่าเราจะดีกว่าเขาหรือไม่ดีกว่าเขานะคือทาตามระเบียบอะไรผิดใครผิดกระชั่งเขาเขาผิดเรื่องของเขาเขาถูกเรื่องของเขาเราก็ปฏิบัติเป็นเรื่องของเราไปปฏิบัติแก่นเหมือนบ้างเปลือกก็ทำําสมมติไปเท่าที่จำเป็นถ้ารู้แก่นรู้เปลือกก็รู้จักปอกเปลือกออก กินแก่นมันหน่อยใช้แก่นคือมันเขาเรียกว่าฉลาดนะก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไคนจะมีเปลือกก็มีไปอนะคนยึดมันเดิมมันจะเอาในแก่นก็ให้มันมีแก่นเพราะทั้งเปลือกทั้งแก่นบางทีอืมเอาไว้ให้เหมือนบ้านเหมือนเรือนเนี่ยเราสร้างแล้วเพื่อให้จิตให้ตัวเองได้อยู่ได้แต่เท่าตัวเองทําอยู่ได้เออยู่เปลือกก็อยู่ได้แก่นก็อยู่ได้ ก, ไดก็สบายไม่มีอะไร คือใช้ทั้งสมมติทั้งปรตัตรก็ง่ายขึ้นชีวิตเนี่ย อ, อะไรที่มันไม่ดีก็อ้าวไม่ดีก็รับไว้อยู่ด้วยนะโดยธรรมชาติมันไม่ได้ติไม่ได้ริงถ้าเราถ้าเรารู้จากเรื่องวิปัสสนารู้จากความจริงเราไปยึดแล้วทำให้เป็นทุกข์เนี่ยเพ่งเล็งโทษผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูวิปัสสนูคือคนที่กำลังวิปปธรรมวิปัสสนา มีอารมณ์สติรู้จักสติรู้จักอะไรแล้วเกิดอุปท า, านนะเกิดพาดีกว่าเขาอืมพัฒนาดีกว่าสู้ได้เสมอได้ด้อยกว่าอะไรจิตมันเป็นเนื้อเนี่ยมันน้อยเนื้อต่ําใจเกิดความลำพองใจเกิดยังไงก็ตามในจิตนั้นเขาเรียกว่ามันจะเป็นอาการของมิปัสฉนุมันมีตัณหามีมานะมีทิฐิความคิดความเห็นส่วนตัวน่าจะเป็นเนี้ยน้นเนี้ยนี้เข้าไปเนี่ย คือจิตมันจะเริ่มไม่ปกติมันไม่มีสติที่มันเป็นธรรมชาติแล้ว น, นั้นเราก็กลับมาใหม่กลับมาตรงที่เอาวทำตามประเพณีสมมติโลกเพราะบางทีบางคนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันจะมีผู้ปกครองหนึ่งใช้ธรรมะปกครองธรรมะก็คือระเบียบวินยัยที่พูะเที้ยท่านบัญญัติเอาไว้รวมถึง ศีล ส, สมาธิปัญญานะปัญญาในส่วนนี้เป็นมรรคในส่วนที่เป็นผลนะอันนั้นเป็นเป็นสัจจะนะเป็นอริยะบัญญัติส่วนสมมุติบัญญัตินี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งสมมติบัญญัติก็บัญญัติตามสมมติเพื่อเอื้อเฟื้อตมูตอคณะนะนะเนี่ยอื้อเฟื้อต่อคนใหม่คนที่ยังไม่เข้าใจไม่ตั้งใจเพราะวิในเนี่ยเป็นการช่วย ช่วยปราบปรามหรือช่วยทําให้เกิดความดีงามแข็งสงแข็งงูแข็งคณะหรือวิ น, ยนัยในช่วยกําจัดบุคคลที่มันดื้อด้านอย่างเขามีระเบียบแบบนี้แบบนั้นเนี่ยเราจะสังเกตดูในแต่ละวัดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสแกนคนเข้าวัดหนึ่งละ่ะสองระเบียบวินัยนี่เขาเพื่อ ขัดเกลาคนที่อยู่ในวัดให้ออกไปสามเพื่อความสงบสุขของผู้อยู่แล้วก็เพื่อความสวยงามแห่งหมู่คณะถ้าเรามีระเบียบมีวินัยแบบนี้ปุ๊บหมู่คณะก็ดูดีสวยงามสวงามมันเหมาะสมมาเลยประมาณนี้ทีนี้บุคคลผู้เก้ อ, อยากไม่อยากปฏิบัติตามนู้นนี้เขาก็บอกเออถ้าไม่ทำอย่างนี้ อยู่ไม่ได้นะเข้ามาไม่ได้นะก็จะมีระเบียบมีระเบียบวินัยเขาเรียกว่าเป็นตัวขัดกรองคนเป็นธรรมะสำหรับัดกรองคนคนที่จะเข้าคนที่จะออกอะไรประมาณเนี้ยที่จะหาว่าถ้ามันมีระเบียบวินัยดีมันก็ง่ายง่ายตรงที่ว่าอืม ลราชี้ไปที่ระเบียบเลยนะการอยู่การไปการเข้ากันออกแต่ไม่ยึดนะชี้ไปที่ระเบียบไม่ได้บอกว่าโอ้หลวงตาว่าไว้อย่างนั้นหลวงพ่อว่าไว้วอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะต้องไปถามท่านก่อนต้องคุยกับท่านก่อนในปรคือไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่อะไรเลยอระเบียบเขาว่าอย่างนี้นะคือเอาระเบียบมองว่าเขาเรียกว่ายึดธรรมะยึดมีในระเบียบก็มีสองแบบระเบียบที่เป็นพุทธานา คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อนหนึ่งและสองก็คือแต่ละวัดเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านตั้งขึ้นมาว่าควรใจอย่างนั้นควรใจนี้นะเพราะทุกวันเนรลำพังที่เป็นพุทธพจนิเฉยเนี่ยเราไม่ค่อยเชื่อฟังแล้วก็เป็นคําสอนของครูบาอาจารย์ว่าเออห้ามนี้นะให้มันชัดขึ้นเนี่ยเนี่ยพุทธเจ้า ว, ว่าสุรามีระยะมัชาปมาตฐานาเนี่ยโอ้มัน อะไรนะมันฟังแล้วมันเข้าใจยากมากไปหรือว่ามันคนมันจะเล่นคําขะเลียงบาลีอะไรล้วก็ตั้งใหม่เอาที่นี่ห้ามสูบบุหรี่นะเป็นข้อห้ามห้ามกินกาแฟนะอะไรเงี้ยก็ออาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาเอาห้ามพูดคุยกันกลางวันห้ามไม่มีผาาอยู่ปราศ จ, จากไตรจีวรไม่ได้เด้ออย่างโน้นอย่างนี้ น, นนะต้องมี คือเรื่องแบบนี้เลยนะฮะนอนกลางวันห้ามอะไรประมาณเนี้ยอืห้ามนอนกลางวันเอาหลับได้ไหมหลับมันก็มีบ้างพอได้แต่ห้ามนอนกลางวันน่ะเลยบันนี้ก็จะเป็นระเบียบอินุนันนี่ไปตามเรื่องไม่จะในพุทธบัญญัติก็จะมีว่าพิสูจน์เป็นกานอนกลางวันให้ปิดประตูเนีวันนี้ถ้านอนโดยไม่ปิดประตูนี่เป็นอาบัต แต่นี่ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สร้างใหม่อาจจะทำสถานที่ที่ไม่เหมาะกับการนอนกลางวันการปฏิบัติคือมาอยู่ที่นี่ก็หลายคนนะปฏิบัติทำก็แล้วแต่เราเอื้อเฟื้อกันตามควรส่วนจะปฏิบัติได้เนี่ยเราเองเป็นคนปฏิบัติบางทีบางคนแอบหบลับแอบบนอนแวบนอนแอบ น, นี้อะไรไปก็คือมันกรรมมุนาวัตติโลโก้นะสัตว์โลกเป็นไปตา ม, รามกรรมใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดี ไม่ตั้งใจปฏิบัติก็ไม่ได้นะมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณฉลาดขึ้นหรือคนโง่ขึ้นอะไรประมาณนะั้นคือทํายังไงมันก็ได้อย่างนั้นไนอะ้เรื่องแบบเนี้ยคนขี้เกียจขี้คันคนไหนมาสะสมอัตตามาหน้าที่ติตัวเองก็ได้อันนั้นเข้าไปคือแล้วแต่จะทาํามาแต่ว่าเราก็มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนนักปฏิบัติทำ อที่บวชก่อนที่อยู่ก่อนเราเขาฝึกเขาหัดปฏิบัติไปงไงเป็นแม่แบบเป็นแบบพิมพ์เราเราจยากปฏิบัติทำเนาะเอาตามองค์นั้นไหมปฏิบัติอย่างนี้ไหมอะไรประมาณเพื่อให้มันเกิดกำลังใจก็เกิดศรัทธาปัสสาทะเกิด ค, ความรมู้สึกว่ามีคณะที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเอาเส้นทางที่เขาเดินมาเราเดินตามเขาดิเขาฝึกมาเราลองฝึกอย่างเขาดิ ก็มีแบบมีอย่างก็พัฒนาก็ง่ายขึ้นได้ประมาณหนึ่งทีนี้ปฏิบัติร่วมกันมาในหนึ่งภาษาพอจะออกภาษาเนี่ยอืเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมะบ้างวินัยบ้างอะไรปราณนึ่งแต่ ถ, ถ้าเราปฏิบัติได้ได้อารมณ์ก็เป็นอภิธรรมอภิวินยัยปรากฏขึ้นในจิต อ, อันนี้คือเป็นทางดรอดชีวิตของเราข อ, อกขจากกิเลสตัณหา ฝึกสตินีนเพื่อให้รู้เท่าทันทีนี้กว่าหนุกพรรษาอมพรรษาแล้วนี่จะไปจากที่นน้นที่นี่ปกติอา้าวจะลาจากพระพุทธเจ้าหรือบางทีอยู่ในวัดแ้วก็จะเดินทางไปบวรณากับพระพุทธเจ้าหรือจะหนีจากพระพุทธเจ้าไปที่นน้นที่นี่ไนไปแต่วันวันสิบห้ากัมหรือว่าจะเป็นวันบวรณาวันบวรณาออกพรรษาอย่างพวกเราเนี่ขึ้นไปบวรณาที่เชียงใหม่ก็ได้นะ ไปออกพรรษาที่นู่นไปออกพรรษาที่นี่นแต่ทีจริงๆพูดใหเต็มคือวันปรนาออกพษาคือออกพรรษานี้เราอธิษฐานเข้าพรรษายิตมัศมิเตสังอืมโนอวสีเมังเตยมัมาา ส, มมสังวัดสังอุเบเปมีเข้าจำพรรษาสามเดือนทีนี้พอมันครบสามเดือนเราเข้าหนึ่งค่ำสิบห้าค่าก็ออกไปแนละ้วแต่ไม่ใช่ไปออกหนึ่งค่ำนะออกสิบห้าค่ำนะเลี่ รับ ห, หนึ่งสองสามสี่ฮะสิบห้าก่ออนสาพ่อพันศาก็สามารถไปแรมคืนที่โน่นที่นี่ได้แต่ในพันศาก็ไปได้ทีละเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าสมมติเราไปแล้วมันมีกิจวัตเกินนั่นคิจที่ต้องไปก็มีเขานีมนไปไปเยี่ยมพ่อแม่ ไปเพื่อยาบาลภิกษุให้ไปช่วยช่วยเขาบุญณะส้มแซมวัดที่โน่นที่นี่คือสำนักโน้นอะไรประมาณเนี้ยปฏิบัติสำนักนี้เกิดกุฏิผูกพังมีปัญหาแบบโน่นแบบนี้เนี้ยก็ไปช่วยเขาส้มแซมเสนาสนะเนี่ก็าไปได้เจ็ดวันหรือบางทีถ้ามันยังจำเป็นอยู่ก็กลับมา บอกทางวัดไว้ว่าผมจะกลับมาอย่ไม่ใช่ไปแล้วไปเลยก็กลับมาบอกปุ๊บก็ไปใหม่ก็ได้ปัจจุบันนี้พอไปแล้วมางทีเขาก็รียกว่าโทรศัพท์มาบอกะแต่วันนี้ว่าบอกสงส์แล้วมาบอกพิสูรรูปได้รูปหนึ่งเวลาเราจะออกจากวัดก็เหมือนกันบอกฝากคนไว้คนเราจะไปไหนะต้องบอกไว้ก็เรียก ว, ว่าต้องมีปริพอดไว้ไปที่นี้เพื่อจะเป็นไหนนั้น ไปโน้นเพื่อจะเป็นอันนี้เนดะี๋ยจะไปอย่างนี้ประมาณวันที่เท่านั้นเท่านั้นจะกลับไปอะไรประมาณนี้นะบางทีพระหลายองค์นะเหมือนอยู่กับเราอะ่ะไม่ที้อะไรประมาณนี้ลาควาลาไปเยี่ยมบ้านหรือครับสองสาวันบางทีก็ไปเลยนะไปเลยแต่พูดถึงเวลาจะกลับมาเนี่มันอาย hmm. เพราะว่าเราไม่มีสัจจะในตัวเองว่าไปสองสามวันเอาที่ไหนได้ ไปจมเยุะแยะคือไปติดอารมณ์อะไรแล้วก็ไปเลยหรือบางทีมีเจตนาเพื่อจะไปแต่กลัวครูบาอาจารย์ไม่ให้ไปความคิดนะก็เลยจะบอกว่าขอไปเยี่ยมวันนั้นขอไปทําบนนี้พอไปแล้วก็ไปเลยประมาณนี้แต่พอถึงจังหวะหนึ่งไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ใจคิดก็อยากกลับมาแต่เพราอยากกลับมาเนี่ยมันจะกลับมายากนะไม่รู้ยังไงอ่พะพอเราลาไปแบบนึงเราไม่มีสัจจะในตัวเองก็จะมีความละอาย นะมีความละอายถ้าบางแห่งบางที่ที่ครูบาอาจารย์เขาอยากสั่งสอนเราเองเนี่ก็จะเป็นแบบเอา้าบางทีเขาก็บอกเอามาแล้วเหรอนะอันนี้หรอคือสามวันอันนี้หรือคือไปเยี่ยมบ้านอันนี้หรือคือไปโน่นไปนี่เราปฏิบัติได้เป็นแบบหนึ่งนะนะแต่ละเบียบพินในความเคารพความศรัทธาความรู้จัก มารยาทอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะ่งท่นานพระพุทธเจ้าทึงนจึงสอนว่าพิสูจนทั้งหลา ย, ยพึ่งมีมารยาทนะอนุมัติเสวะเชสุภยาทัสสะวิสมาธิสิกิสามาสิกาปเทสุติมันทําให้เรางามถ้าเรามีมารยาทมีอมีป ร, รานามีอะไรต่างเนี่ยมันทําให้งามงามแห่งสงฆ์นี่แล้วเราอยู่ด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเขาบอกว่า สังฆสุตตายะเพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์สังฆผาสุตายะเพื่อความผาสุขแห่งสงฆ์สงฆ์นีคืออยู่ด้วยกันหมู่คณะนะถ้าเรามีระเบียบมีวินัยเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันแบบสวยงามเพื่อข่มผู้เก้อยากคนสอนยากเนี่ยเราเอาวินัยเป็นแบบหรือเพื่อความผาสุขแห่งเราภิกษุผู้มีศีลนะดีงามกลุ่มที่มีศีลมีข้อปฏิบัติ ด, ดีคนที่มันไม่ปฏิบัตินะเขาทําไม่ได้มันไม่ทํา เขาทำวัดสวนมุนม <K an> ันอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอยากมากินข้าวก็มากไม่อยากมาก็ได้อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยงามเอ้าให้นุ่งสีนี้นะผ้าเนี่ยสีนน้นสีนี้ไอ้บอกว่าสิบห้าวันโกนผมเออวีดีเบียวีไน่กมามันเนี่มานเดือนหนึ่งสองเดือนก็โกนได้แล้วจะจะทำอะไรประมาณนี้ทำมามันถูกวิไน่ไหมก็ถูกอ่ะแต่ว่ามันไม่มีความดีงามมันไม่สวยงามบางทีเขาก็บอกเพื่อบำบัด แก้ไขอาสวะธรรมทั้งหลายที่มังเกิดขึ้นในปัจจุบันมันชอบเป็นอย่างนั้นเน่ะชอบทําอย่างนั้นชอบติดอันนั้นชอบไม่ฝืนชอบอะไรประมาณนี้แต่พอมีระเบียบวินัยกั้นเอาไว้เนี่ยมันจะมันต้องอยู่กับระเบียบนะมันจะอยู่กับวินยัยอ่าตัวระเบียบวินัยเนี่เป็นตัวสามารถปกป้องคุ้มครองจิตของคนผู้นั้นให้มันตั้งมั่นขึ้นคือโอ้อันนี้ไม่ทําเนาะเนี่ยไม่สมควรเนาะ มันมีระเบียบแต่ก่อนนี่ไม่คิดไม่เห็นหรือบางทีก็เห็นอยู่แต่ไม่ไม่ฝืนแต่พอเราเห็นหมู่คณะเขาปฏิบัติแบบนี้เขามีระเบียบแบบนี้ก็ปฏิบัติตามเขาก็แก้ไขได้แต่ก่อนเราเคยมีผ้าสี่ห้ืนโอ้อยู่ที่นี่เกินไปเด้อสามฝืนก็พอแล้วอย่างเนี้ยนะมันก็ง่ายขึ้นเอออย่าใส่หมวกเด้อไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวนะอันะไรพวกอดทนนะมนก็เกิดอะไรที่มกลังจะเป็นอาสวะธรรม น, นั้นนี้ก็แก้ไขพอแก้ไขมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะ มันก็ดีขึ้นเองโอ้ไม่มีก็ได้เหมือนกันเนาะไม่ใช่ก็ดีเหมือนกันอย่างโน้นนี้เนี่ยคือทำให้สติทําปัญญาเข้มแข็งขึ้นมาบางทีมันก็เกิดประนเนี้ยขึ้นมานบางคนชอบ ส, ยสวยๆง่งเานชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนี่นไม่บวชเป็นพระเป็นเจ้าล้างหน้าต้องโฟมต้องสบู่ต้องแบบโน้นแบบ น, น, แบบนี้อะไประมาณเนี่ยโอ้อันนี้ก็ดับทุกยากเวลาเราปฏิบัติทําทมันไม่ค่อยได้อะไรเนี่ยเรามามัวเมาอยู่กับรูปนี่แหละ มัวเราอยู่กับรูปกายอยู่กับกิจวัตรอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถึงว่าเป็นกัณฑ์อย่างเขาบอกว่ายินดีในการทําธุระหน้าที่การงานยินดีในการอะไรล่ะคือทำํำไม้ทําเป็นเครื่องเนิ่นช้านะทําที่ทําให้เกิดความเนิ่นช้าก็เราไปติดอารมณ์ติดวิปัสสนาติดธุระติดหน้าที่ติดการติดงานติด อะไรจุกจิกนะอันนี้ก็จะยากอันนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นการป้องกันเอาไว้นะบันทีเพื่อบำบัดอาสวะธรรมนล้วก็จะมีป้องกันบาปอกุศลบาปที่อยู่ในใจคือมันชอบคิดเรื่องนี้นะก็จะแก้ไขเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นจาบอดีตนะแต่นี่คือพอเราปฏิบัติตามนี้มันรู้สึกมันเย็นมันสบายมันไม่มีปัญหาอนาคต สิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรอนาคตที่เราไม่เกิดจากการสํารวมการละมัดระวังการปฏิบัติตามธรรมวินัยเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะอืว่าจะทํามันนั้นอยู่แต่เออมันไม่ดีว่ะเหมือนบรรยากาศมันไม่ให้เหมือนอืมมีความละอายหรือว่ามีระเบียบวินัยเขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีขึ้นอย่างาื่อทีอยู่ด้วยกันเห็นผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยเนี่ยกิเลสทาหามันมีเขาก็เอแยก แม่ทีผู้หญิงพวกผู้ชายเลยออกอยู่ทั้งโน้นทั้งนี้นะภิกษุณีไปมาเนอะเขาจะเห็นกันคุยกันได้ก็แต่อ่าต่อเมื่อเขาสมมุติให้ทําการสง่งเป็นผู้สอนธรรมเป็นผู้อืมให้อวาตภิกษุณีสิบห้าวันครั้งหนึ่งวันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมันคุกครีกันมากเขไม่มีประโยชน์อะไรนะกิเลสตัณหาในผู้หญิงผู้ชายมันไม่เข้าใครออกใครอ่นะงนั้นถ้าพูดบ่อยๆคุยบ่อยๆก็ทําให้จิตมันต่ำํำอะไรเนี้นะ นั่นต้องอาศัยการอืสํารวมกันปฏิบัติตามธรรมวินัยนี้ส่วนหนึ่งและเพื่อความเลื่อมใสของปุ้คลผู้ยังไม่เลื่อมใสคนที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยถ้าเห็นเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติงามตามธรรมวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยมีแต่เรื่องที่ทํำให้มันสวยงามแหละก็จะเกิดความเลื่อมใสคนที่ยังไม่เลื่อมใสล่ะก็จะเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้น เบางทีอันหนึ่งว่าเอ้อปฏิบัติก็ดีแล้วคนที่วัดงามแต่จะปฏิบัติข้อนั้นบ้างและเบียบอันนั้นบ้างหน่อยได้ไหมเพื่ออะไร<ม>นะเพื่ออนุเคราะห์พระวินยัยวอนุเคราะห์พระวินยัยคือทําตามและเบียบวินัยเพื่อมันสวยงามขึ้นนะนะเป็นแบบอย่างของอนุชนลุ่งหลังนะอย่างพระอรหันต์นี่ไปลงอุโบสถเอา้าถามว่าท่านเป็นนาบัตไหยก็จะมีอยู่หนึ่งคือให้สติวินยัย คนที่เข้าใจธรรมะก็ไม่ได้หมายว่าจะไม่ผิดระเบียบผิดวินัยนะถ้าผิดระเบียบวินัยอันนั้นอันนี้บางสมมุติเี่มันก็ผิดแต่เขาจะว่าให้อืไม่ได้ให้ตักเตือนแบบโลกโลกแต่ว่าเขาเรียกว่าให้สติวินัยอาจจะทําคนที่ไม่บรรลุธรรมในระเบียบอาจจะเพียบปุ๊บเลยแต่คนที่เข้าถึงธรรมอาจจะผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆเบียดโดยวนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าให้สติวินัย อธิกรณะสมถะเจ็ดนี่มันจะมีอยู่เจ็ดข้อในนั้นมีอมุโมงค์วินัยแล้วก็มีนี่แหละมีสติวินัยตัศยาพิกาตทัศยปียา ก, ากรรมในข้อหนึ่งคือให้โอวาดหรือว่าให้คำตักเตือนเตือนสติสำหรับบุคคลผู้ได้รับการสมมติ ว่าเป็นเสขะบุคคลแล้วนะแต่มาผิดโน้นผิดนี้ก็เตือนนะไม่เตือนไม่ได้เมื่อที่อยู่กับประเภทนี้อยู่กับวัฒนธรรมเนี่บางทีเรื่องของโลกกวัชชะโลกตีเตียนแต่ว่าอา่ธรรมวินัยไม่ผิดนะปัญนนติวัชชะวินยัยเรื่องวินัยเนี่ยไม่ได้ตีเตียนแต่ว่าผิดโลกเนี่ยอย่างพระกินเหล้าเนี่ผิดรบัติปาจิตตี นะเท่ากับตบยุงอันนึงเนี่ยแต่โลกเขามองว่าเป็นเรื่องที่รายแรงมากแบบนู้นแบบนี้ไม่ควรให้สึการาเพศไปอย่าเงี่ยเขาเรียกว่าโลกกวัชชะแบบเนี้ยไม่ผิดธรรมะมากนักแต่ผิดวินยัยผิดโลกร้ายแรงอ่ะผิดทำไม่เยอะแต่ผิดโลกเยอะบางอย่างผิดโลกเยอะแยะนะไม่เหมาะสมไม่ควรไป บ, บรมู้นแบบนี้นะแต่ผิดทำในน้อย พี่ทำเล็กน้อยนะแต่ทางโลกเขาจะเห็นเราเป็นแบบหนึง่งแต่ทางธรรมโอ้ ม, มันไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่อะไรับพออนุโลมก็ให้โยอาบัดเล็กน้อยอะไรประาณนี้เพราฉนั้นก็บางทีเขาให้อนุโลมให้อนุวัตตามระเบียบวินัยอนุเคราะห์สงเคราะห์เขาเลยบอกว่าเอา้าคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจปฏิบัติดีปฏิบัติเท่าก็เอื้อเฟื้อพระวิห น, หนัยหนเอยดิเอื้อเฟื้อก็คือทําตามพระวินัยเพื่อเป็นแบบอย่าง และเพื่ออนุเคราะห์ชนรุ่นหลังเป็นกฎเป็นเกณฑ์นในการจัดระเบียบหมูคนะ่คณะถ้ามีความพร้อมเพียงก็ออมันก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนั้นการภาวนาก็ไปให้ครูบาอาจารย์ให้พระมหาเทระในเขตปกครองอะไรประมาณเนี้ยช่วยว่ากล่าวตักเตือนชี้แจงแสดงธรรมะข้อนั้นข้อนี้ให้เราฟัง เราก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติเออจะไปจากกันละเนาะหรือประมาณเนี้ยเอ้าก่อนจากมีข้อคิดอะไรไหมเอาพรรษาแล้วเอาองค์นี้จะไปที่โน่นท่านองโน่นจะได้ไปจำพรรษาที่นี่จะไปหาครูบาอาจารย์อนุนนี้ก็ไปให้ผู้ปกครองเขาแนะนําสั่งสอนอย่างวัดนะวัดทั้งหลายเนี่ก็จะไปรวมกันอย่างไปวัดไงละ่ะก็ไปทําพิธีเนี่ย นั้นก็เหมือนกับว่าเออเราเองยังมีความถูกต้องนะไม่ขนมัวไม่อะไรอ่านันหรือถ้าเราปฏิบัติตามเวลาเราเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้นำเป็นอะไรเราก็ดูออกว่าประเพณีพิธีกรรมเขาทำยังไงอะไรประมาณนั้นในส่วนหนึ่งละ่ะมันก็จะทำให้งามขึ้นนะเหมือนว่าเราไม่ได้กระด้างกระเดืองไปรับคำนี้นำชี้เนีนะ่เวลาเกิดปัญหา อ่ในอาวาสใดๆ อ, อยากให้พระเทวะผู้ปกครองโอ้ยไม่ไปแร้วไ ม, ไ, มไม่ไม่ความร่วมมือสมัยโน้นสมัยนี้อะไรประมาณนะั้นนะก็ทําให้เกิดข้อหาทําให้เกิดการติติงอั้นที่เราทําดีทําถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็สมควรมันก็เหมาะสมมันก็ดีอ่นะนั้นวันปรนานา่าปรารณานี่ปรารณาที่เข้าพรรษาก็ที่ได้ที่นที่ของใครของมันแต่ถ้าออกพรรษาเนี่ย เขาเรียกว่าวันมหาปรนณาปรนณาใหญ่ในเขาว่าเก่าตอกเตือนแต่บางทีทุกวันนี้ไม่รู้เรื่องนะว่าเป้าหมายอะไรยังไงเนี่ยบางทีเราก็ทํำเฉยๆผู้ปกครองเลยเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าอันเนี้ยคืออะไรแต่เป็นเคย ร, ร่าเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์หรือบางทีบางคนถ้าไม่ได้มาปรนาก็ไม่ได้ออกพรรษาอย่างเงี้ยในความหมายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจะประนณาหรือไม่ปรนณามันก็ออกพรรษา แต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าวันปะหาปรณนอันนี้เป็นเรื่องของสงฆ์ที่คุยกับพระเถระเจ้าผู้ปกครองว่าท่านจะให้โอวาทตักเตือนสั่งสอนอะไรยังไงเตือนติตคนจะอยู่คนจะไปอะไรประมาณนั้นนะัน้นวัดเรานี่ก็จะมีไปรปรณาพรุ่งนี้เช้าก็ที่สี่ก็ไปละมันก็อยากให้มันตื่นสายนะ ยังไม่ชี้อย่างไรก็เออปรณนาที่วัดอะไรก็ว่าไปนะหรือไม่ปรณนาไปทำเรื่องอื่นสิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเราทำดีต่อกันปฏิบัติดีอะไรประมาณนี้ไม่มีที่กระหานนินทาไม่มีที่ติเตียนอะไรมาบนั้นแหละคือการปรณนาที่ดีแต่ถ้ามันไม่ดีก็มีการปรณนาก็จะทําให้มีความรู้สึกมันยืดหยุ่นขึ้นชีวิตเนี่ยแต่ก่อนเราอาจจะไม่ดีก็เหมือนสันแสดงอาบัตินั่นแหละ จะอยู่ด้วยกันหรือไปจากกันก็จะให้มีมีความว่าของความเกลียดชังการติดอารมณ์กันอะไประมาณเนี่ยหรือไม่ก็ถ้าเขาออกราษาไปแล้วนี่เขาจะมีประเพณีรับกระถินเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจได้ทํางานร่วมกันทำนู่นทำนี้มันเห็นอกเห็นใจกันนะมันละลายกรรมกรรมจิตวิปากระจิตอะไรต่างๆให้มันละลายให้มันดูดีขึ้นแต่บันที่ไปทํากานทำงานมันไม่ผิดพ้องหมองใจกัน ก็เยอะแยะนะเวลามันมีเวทนาเกิดขึ้นก็จะติดอารมณ์ช่วงไหนก็ตามที่สนุกสนานมากเกินไปเกินขอบเขตเนี่ยกลายเป็นปัญหาแลด้ดีพี่นี้วัดเราออกพรรษาวันที่แปนะเก้าวันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยรู้จักว่าพาไปไปเดินป่าเดินทุ ด, ดงก็จะไม่มีอะไรไปฝึกหัดปกติเท่ก่อนเนี่ยไปเป็นเดือนสองเดือนนะ ไปไปเข้าค่ายแล้วก็ทำความเพียรสมว่าเขาลาบวชเนี่ยรอยยี่สิบวันออกพรรษาคือระเบียบราชการเนี่ยเวลาเขาบวชเ็าจะมีอยู่ร2อยี่สิบวันกันแล้วแต่คนปกติประมาณนั้นสิบห้าหน้าสิบห้าหลังเพราะคนนี้มันเป็นไปไม่ได้ว่าจะบวชวันเข้าพรรษาปุ๊บศึกวันออกพรรษาปุ๊บอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีเวลาให้โอกาสเตรียมตัวอะไรประมาณเนี่ยเขาจะไม่มีสว่าเขาไปบวชไกลๆเนี่ย ทำไปบวชเชียงใหม่เพื่อจะมาทำงานที่สกลนครตะก่อนองค์นานอะาณนะี้ดังนั้นเขา120วันก็15หนะ้า15หลังหรือบางคนคิดว่ามันไหวอยู่เขาก็เอาหลังเท่าไหร่หลัง30วันอะไรปราณนะี้หรือหนะ้า7วันหลัง21วันอะไรปรมานเะขาบวชเขาทํากันแบบนั้น่ะเพื่ออะไรเพราะมีการเตรียมตัวเพยจะไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรปนระมาณนี้ อนี้บางทีก็อย่างสมัยรุ่นเขาคนเปียกเขาคนนู้นคนนี้เวลเขาขบวดเลยก็เออเอาภาษา ม, มาไปทุดงปฏิบัติยี่สิบเอ็ดวันนะก็สึกขาราพีตไปคือไปทุดงชีวิตนี้มีทุกอย่างเอาปฏิบัติในวัดกัมีไปทุดงก็ทำทั้งหมดกิจกรรมกับทินป่าป่าเลยนะแต่ไปในเวลาที่เขาหลานี้เสร็จปุ๊บนะก็สึกขาลาพีตไปในเวลาบันแต่คนไม่ได้มีอะไรมากมายก็ เอื้อเฟื้อรับกรถินเอาซึกอเขาจะสึกมันก็ดูสวยงามมีความงามไปในตัวกระถิ่นก็พยายามไม่ให้มันไกลอย่างวัดเรานี่ยรูงตามว่าเออเพื่อคนจะอยู่จะไปประมาณเนี้ยเอ้าออกกรถินฝันษาสักเจ็ดวันประมาณเนี้ยออกภาษาเจ็ดวันมีกรถิ่นมีอะไรประมาณนี้ปีนี้กรถินเราะก็มีประมาณนั้นนอะวันที่สิบเก้านประมาณนี้ เพื่อเฟือ้อทางน้นทางนี้ น, นั้นก็ไปไปทุดงไปทุดงก็เหมือนปัจจุบันก็เพียนไปหน่อยก็พายโยมเดินป่าปเดินป่าไปชมป่าไปดูพักผ่อนในป่าใช้ชีวิตป่าสักสองสามวันอะไรประมาณเนี้ยไปที่นู่นที่นี่บางทีทุดงช่วงสุดท้ายนีย่สมัยเขา อ, อาจารย์มหาบุรพาอาจารย์มหากรนขเขาไม่อยู่ด้วยก็ไปไกลน่ะเดินดุดงขึ้นเขาหลังวัดเราเนี่ยเดินไปถึงโน่นอำเภอคําำสะอาดอุดรธานีแล้วไปถึงโน่นเราไปถึงเขาใหญ่แล้วน่ะเดินนะไปไกลนะจากนี้ไปอุดรธานีไปคําสะอาดสิบสิบสองวันเดินจากนั้นไปอีกนะ่ะ ไปไกลก็สรุปก็ประมาณตั้งสามสิบวันประมาณเดือนหนึ่งเดินนี่นะ <c oughs> เขาลุกปูเดินไปมบางินถูกหมากัดกลับมาก็มีอ่สมัยโน้นคนชอบเดินก็เดินแต่แล้วหลังมาลนตาก็อย่างที่เห็นเนี่ยอาพาธไปนู่นไปนี่ที่หนึ่งวัดเราก็เริ่มหายากไม่แต่เวลาไปเนี่ยจะไปทุดงไปอะไรประมาณเนี่ยไปเที่ยวไปเดินป่าไปอะไรนี่ก็ยัออยงหาคนอยู่วัดยากลําบา ก, คน น, นา ก, ากคนนั้นก็อยากไปคนนี้ก็ไม่ อยากพ่อวัดอยากโน่นอากนี่อลไรประมาณนี้ยะก็อยากที่อยาคนคอยดูแลเพราะว่าอืมสมบัติของวัดคุรุพันธทั้งหลายก็เริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอ ะ, ข, ยอะ ข, ขึ้นก็ต้องอาศัยการดูแลการโน่นการนีนกน้ก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าจากนั้นเนี่ยถ้าสมบัติเราไปปุ๊บกลับมาอมืก็ช่วงอาทิตย์ที่ยี่สิบกว่า สิบเก้ารับกระถิ่นเนี่ยยี่สบยิสองยิบสามพวกเนี่ยต้องไปช่วยงานจันเจาะล่ะที่เชียงใหม่บางทีช่วยงานงานปฏิบัติธรรมหลวงตายังคิดแว่าไอ้เป็นลงเวลาได้ยังไงอะวันที่สี่ถึงสิเอ็พฤศจิกางานไม่ติดเนี่ยปกติหลงงตาจะตั้งวันที่เป็นเสาร์อาทิตย์นะคงคนรับรับฟังแล้วไปเขียนลงในเน็ตเนี่ยอาจจะผิดเวลาไป คือปกติจะเว้นช่วงเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันยังต่ำนะอันนี้มันไม่ถึงเลยนะวันที่สี่วันที่สามมันต้องวิ่งมาที่นี่แหละที่น้องวันที่หนึ่งจบจบวันที่หนึ่งวันที่สองมาวันที่สามจะเริ่มที่นี่เพราะวันที่สี่เปิดงานเมติมเลยวันดูเมื่อวานนี่กับลูกหลานโอ้มันใกล้เกินไปแล้วยากลําบากน้องตาก็เลยว่าเออาจจะไม่ได้ขึ้นไปด้วยซ้ําไปะถ้าไปก็หคง มันต้องรีบมาเพราะว่าต้องต้องทําเมนที่ด้วยให้มันเสร็จก่อนงานปฏิงานได้ติ่มเนี่ยยังต่าก็วันวันที่หนึ่งเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยวลีคนมาปฏิบัติทําไม่ต้องมายุ่งยากด้วยท่า น, นการบริหารการจัดการที่นี่ก็ยังว่าไม่ค่อยดูใครรู้เรื่องกับหลวงตายเองที่จะทํากับลูกหลานเขานครยจัดเมนเอาศพออกมาจะได้มันถ้าคนมาปฏิบัติทําแล้ววันที่สามเนีย่ยังมายุ่งกับเรื่องพวกนี้อยู่ ก, ก็อะไร ต้องสั่งของต้องอะไรประมาณเนี่ยเพาั้นบางทีถึงแม้ได้ไปร่วมนะที่เชียงใหม่เนี่ยอาจจะได้ไปสักวันสองวันก็คงต้องบินครับเพราะกลับมานี่มันไม่ทันเวลาปกติใช้เมลลอยมาเผาสั่งมาถ้าเขาประกอบเนี่ยก็ต้องสั่งมามันก็ต้องมาก่อนงานนี่ยอย่างทำห้าวันหรือเจ็ดวันเนี่ยทินที่จะกลับวันว่าเออมันน่าจัดประมาณเท่านั้นวันนะอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ล่ะ ยกเลิกก็ไม่ได้เพราะว่าหลายๆคนเขาก็ลาพวกหมอพวกอะไรเขาก็ลาเวนาเวลามาคือเราจะไปถอนว่าเย้ายวันที่หรือไม่เนี่ยไม่ได้คือรู้ตั้าแต่นิยว่ามันจะมันจะมันจะเป็นเวลาที่มันไม่ตรงเสาร์อาทิตย์โดยซ้ำไปเนี่ยมันได้ลงไปแล้วก็ประกาศว่เป็นจะเป็นปีแล้นก็เลยยากหรือเปา อันนั้นอันนึ่งแหละต้อคอยดูเลยนี่วันที่ยี่บห้าเนี่ยยี่สิบห้าก็ต้องรับพ้าป่าที่นี่บ้ ป, ป่าที่อรถโรงพยาบาลนะมีเงินหาเงินซื้อยมพ้มป่าพ้ป่าเขามาซื้อซื้อรถฉุกเฉินให้โรงพยาบาลตำบลเนี่ยงานที่โน้นก็เริ่มวันที่ยี่สิบห้า ที่นี่ก็รับพระป่ามื่ที่25ห้าถ้ายี่้าเสร็จยี่หกถ้าลงตาไปก็ย7่เจ็ดี่แปดไม่ได้กลับมาอีกแล้วแต่ก็ถ้ากลับมาก็ยังไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันนะต้องวางว่าเมรลอยเนี่ยมันจะทำยังไงถ้าเวลาเหลือสองสาวันเนี่ก็ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แต่บางทีก็อาจจะให้พวกเราขึ้นไปทางท่านบางองค์แต่เขาจันนัดจันทร์อุตกคนไทยพวกเนี้ย ก็มีหนึ่งว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมสอบต้องเตรียมสอบนี่แหละสอบนธรรมโ ท, ทนักธรรมเอกโนต้าก็สนับสนุนนะอยากให้สอบถ้ามีโอกาสเนี่ยสอบมันเป็นหนึ่งเราได้ศึกษาความรู้แหละสองทางโลกเขาบอกว่าเอ้าได้สอบได้จบนักธรรมเช่นไหนไม่ได้จบเลยโอ้บวชเล่นเฉยๆเนาะเขาไม่ได้มองมาเรื่องปฏิบัติทําเรื่องนน้นเร่อนี้น อันนี้คือกติกาสังคมที่เขาวางเอาไว้ถ้ามีหน่อยก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีอสอนรูพเทียนตั้งแตนะ่สนับสนุนนะสนับสนุนเลยคนเรียนนักทำเรียนอะไประมาณเนี้ยนะให้เรียนอาจจะเป็นพวกะขี้เกียจเลยให้เรียนหรือว่าขยันก็ให้เรียนแต่สุดท้ายก็คือถ้านอก่ามันเหมือนนะโลกมันเป็นอย่างนี้นะถ้าจะอยู่ในอนะ่สงฆ์ในสมมุติอะไรประมาณเนี้ย เขควรมีเอออย่างน้อยได้นักธรรมดนตรีอย่างเงี้ยก็ได้ไปสอบกับเขาความรู้มีนักธรรมนี่เขาลงชื่อแล้วให้สอบก่อนออกพรรษาแปดวั น, วนนะปีนี้เน้นอัานกับครู่าลุงลงชื่อไว้แต่ก็คุณลุงก็บอกว่ากำลังดีปฏิบัติธรรมรู้สึกมันกำลังอดมก็ไม่อยากอ่านหนังสืออยาก ทำความเพียรอย่างอะไรด้วยไปกรุงเทพไปอะไรประมาณนั้นก็เลยเอาไม่สอบก็ไม่สอบนะนี่นั่นก็เพิ่งสอบปริยัติสามันมาหน่อยๆก็เลยเอาพักศริยยะหนึ่งก็ได้งดไว้เวลาใหม่ก็ได้ก็บอกเป่นก็ไม่ต้องไปสอบก็ได้ประมาณนะั้นถ้าสอบใกล้ๆก็สอบในวัดโพคา อำเภอเน่นะมันมีสถานที่สอบแต่ปีต่อไปมันก็ไม่แน่ไม่แน่อาจจะไปสอบที่อื่นแล้วแต่เขาจะกำหนดสถานที่สอบมาแต่ความันเป็นเจ้าะณอยู่ที่นี่เนาะนก็ง่ายแต่นักทาโทนักทาเอกมันคนน้อยเขาก็เลื่อนสนามสอบเขาไปสอบในจังหวัดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็อาจจะได้เตรียมทัวร์สอบอนักเสียห น, นังซื้ออะไรประมาณเนะี่ยดูแลตําลับตารา ในพักผ่อนทําสบายสบาย เ, น, เนี่ยแล้วก็คืองานช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จะเป็นแบบนั้นน ะ, ะส่วนหลังจากนั้นก็เป็นงานปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงตางก็จําไม่ค่อยได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างอหลังจากนั้นก็คงจะลิกไปที่โน่นที่นี่มีพระมีอะไรอยู่าลิกกันไปนลิกไปสอนไปอบรมนี่แหละแล้วก็กลับอะไรพวกนั้น ตามตารางที่แรกว่าจะได้อบรมของครูที่อุดรธานีเนี่ยแต่เขาก็ขอสี่วันเสี่วันครับครูคือหลักสูตรหลักสูตรครูน่นะสี่วันแล้วถ้าเ็าคงไม่ไหวอะ่ะที่แรกเขาจะเอาที่ไหนวันที่ยี่บสามตุลาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยก็เลยเอายกเลิกไปซะแม่เอา มันน้อยไปเราก็น้อยไปอีกหนึ่งเราก็มีธุระอันนั้นนี่เยอะอีก น, นะอันนี้อันหนึ่งนะส่วนไปไปทุดงไปป่าเนี่ยเราค่อยคุยกันนะว่าใครอยู่ใครไปบ้างอะไรประมาณนะั้นนะเดี๋ยวกลับนะวันพรุ่งนี้เนี่ยสิบห้าค่ำไม่ต้องไปบินทาบาทนะวันมาพรณาก็ใส่บาทที่วัดวันพรุ่งนี้ครับ